ข้อความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังเทา่าไรแต่ลมประภวิยานในวันนี้จะได้นําเสนอถึงอ น, นิสงค์คือผลดีที่เกิดขึ้นจากกุศลกรรมในตอนที่ว่าด้วยกรรมสกตาสมาธิธิคือปัญญาเน้นชอบในกฎของกรรมกฎกั้งกรรมที่จริงก็คือกฎของเหตุผล แต่ในที่นี้จะพูดถึงเหตุดีแล้วก็อานวยผลดีผล น, นั้นเราได้รับในขณะนั้นๆในขณะต่อมาแล้วก็ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าตลอดถึงชาติหน้าเป็นรูปกระบวนการของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่มีอาการเลื่อนไหลยอย่างต่อเนื่องกันไปผ่านพบชาติกันไป เ่อก่อนได้พูดอนิสงของทานว่าทานที่ส่งแสดงเป็นรูปผลอนิสงเอาไว้นั้นว่าให้ผลในขณะนั้ น, น, นในขณะต่อมาคือพูดพูดง่ายๆว่าผลในแง่ของจิตใจผลในแง่ของอารมณ์ผลในแง่ของสังคมและผลในแง่ที่เป็นสุข ในขณะนั้นๆขณะต่อไปตลอดถึงพบชาติต่อๆไปที่ทรงสรุว่าตายแล้วไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์อันนีกสองอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของศีลเป็นเรื่องของระดับศีลธรรมจัญญาที่ก็มีปัญหาค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นจุดกระทบที่มีความอ่อนไหวสูง คือเราอยู่ในโลกด้วยความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็ถือพากคถือพวกถือภาถือประเทศถือท้องถิ่นถืออะไรกันอีกมากมายแก่ก่อนแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสารพัดซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของการปิดสินแต่ทีนี้ถ้าเราพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมา คือมีเจตนามีความสํารวมระวังมีการงดเว้นมีการไม่ล่วงดะเมิดกักขุมอาการให้อาการกายวาจาให้ปกติกายปกติวาจาโดยจิตใจไม่มีความคิดที่แรงด้วยพลังของกิเลสมันก็ก่อให้เกิดการระมัดระวังอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่สร้างปัญหาเกี่ยตนเองไม่สร้างปัญหาเก่บบุคคลอื่น ผลคืออ น, นิสงต่างๆก็จะเกิดขึ้นประการแรกคือผู้มีศีย่อมได้ลาบได้โปะขากมาตรงนี้ถ้านผู้ฟังอาจจะมองแบบสั้นๆน่จะมองอีกแบบแต่ถ้าเรามองย้อนไปในก่อนที่เราจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จริงกระแสตรงนี้มันมาตั้งแถวอบสสงภนาร้อยสามสิบก่อนหน้านั้นโดยท้มไป มันมีความรู้สึกที่สะสมอยู่ภายในใจของคนจานวนหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกรับนันธรรมต่างแดนที่ไม่ให้ความสำคัญแก่าศาสนาแต่ให้ความสำคัญแก่วิชาการความคิดความอ่านของเขานะี่ยดูเลื่อนไหลนะะเลื่อนไหลไปดแต่ว่าถ้าเรามองโดยระยะยาวแล้วเนี่ยจะมีปัญหา เช่นความคิดที่ว่าเราเรียนเก่งแล้วก็เรียนสูงเงินเดือนต้องมากแล้วก็รวยเร็วดูคล้ายๆจะเป็นความคิดแบบสามัญจำมันแต่ว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวเพราะว่ามีอาการโลภหลงทีนี้ความโลภเนี่ยเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลายความหลงนี่ปิดบันเทิกเหตุผลสติปัญญาของมนุษย์เอาไว้ซึ่ง ปหัหาสารพัดแต่มันเกิดขึ้นมาจากความหลงเรอจจะพูดโดยสรุปว่าปัญหาทั้งปวงนี่สืบเนื่องมาจากความหลงหรือความไม่รู้ก็ทำให้คนไม่ค่อยใส่ใจสนใจที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองจนถึงจุดหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าถ้าจะให้รวยเร็วนี่ต้องโกง ถ้าไม่โกงก็ไม่รวยเร็วแล้วภาพของคนโกงที่ถูกยึดทรัพย์เนี่ยในส่วนต่างๆของประเทศเมากมายการกองติดคุกตุตารางตายในคุกตายในต่างประเทศตุกติประเทศรีบายการเมืองไปหลุดเดียวเดียวด้อยู่กลางแดนใดนในดินแดนต่างประเทศนี่มีเยอะเลยทุกประเทศโดยเฉพาะเอเชียเรานี่เยอะเลยเนะมันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า มนุษย์เราถ้าละเมิดสีเนี่ยมันอาจจะได้พวกสมบัติระยะสั้นๆแต่มันไม่มีความเป็นทรัพนะฮะเพราะว่าทรัพเนี่ยสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้ปคุคะก็หมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภคือได้ดีก็ได้ได้มาทางไม่ดีก็ได้แต่ว่ามันไม่ให้ความสุขใจแม้ความปลื้มใจเพราะว่าการได้มาในทางที่ไม่ชอบทำ ทีนี้ถ้าหากว่าคนอยู่ในสีนี้สรงแสดงว่าผู้มีศีย่อมได้ลาบได้โผล่ขับคือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นมับเป็นตัวเลขอาจจะไม่รวยพรวดพลาดแต่ว่ามันยั่งยืนเาลองดูถึงคนระดับประธานาธิบดีในเพื่อนบ้านของเราเนี่ยคือไม่ใช่ไปมองซ้ำเติมท่านนะฮะเราก็มองในแง่เป็นกรณีศึกษา ว่าคนที่เป็นขวัญใจของคนมานานตั้งแต่นุ่มจนแก่อายุหกสิบกว่าต อ, ตอนเขารับเลือกตั้งก็หกสิบเอ็ดนะแต่เพราะความโลภหลงจึงเกิดขึ้นระยะสั้นๆทำผิดพลาดแล้วในสุดก็สูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ได้มาโดยการผิดศีลแต่วข้อที่สอง แล้วก็กลายเป็นไม่ได้แล้วกลายเป็นประจับพยายนหลักฐานที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ท่านมีท่านเป็นอยู่จึงก็มายความมาเดือดร้อนหมดวงศสาคณาญาติลูกน้องเพื่อนผูงูบุตรปัญญาเดือดร้อนกันไปเป็นแถวนี่ก็เป็นตัวอย่างที่จริงก็สอนให้เห็นว่าตรงเนี้ยถ้าท่านมีศีลข้อที่สองปัญหามันก็ไม่เกิด แล้วก็อยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าคนเราก็กินเท่าที่กินอยู่เท่าที่อยู่นอนเท่าที่นอนแล้วก็จบลงที่ตายมันจะโลภโมโทสันไปทําอะไรนักหนาผลศีลมันควบคุมระดับเนี้ยระดับที่ไม่ไปถึงละเมิดกระสิทธิในชีวิตทรัพย์สินกู้ครองการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของบุคคลอื่นหรือตกเป็นทาสของสิ่งเจตจิตได้ทั ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตกิตติศัพท์งามของผู้มีศีลก็คือผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตศีลก็ซื่อสัตย์นั่ก็คือกันนะฮนะ ก, ก็จะคุ้มกระจอกระจ่ายไปในที่ต่างๆอามาไม่ไม่รู้จักคุ้นเคยอะไรก็ท่านพลเอกเปรมทินัสุรานนนท์ แต่เราก็ต้องยอมนะฮะว่ายุคสมัยของท่านใน ต, ตัวท่านเองเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตแต่เราก็น่าทึ่งน ะ, ะว่าจนเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังมีบทบาทเดียแปดสิบกว่าแล้วมีบทบาทเป็นผู้ชนียบุคคลของสังคมจำนวนไม่ใช่น้อยเกิดพบท่านที่งานศพที่วัดมากุูดก็ยังยังตะลึงเนยนะฮะ เราก็รู้สึกว่าเป็นศกคนคนทั่วไปคือไม่ถึงระดับที่เสดพระจะดำเดนินก็นั่งกันจวนจะพอศพเนี่ยคนลุกขึ้นพึบได้ยินเสียงว่าปลามาป้าม า, า, มาเราก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะนะแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนลุกขึ้นยืนขึ้นต้อนรับคุณเป้ ตอนรับด้วยด้วยจิตใจนะฮะท่าทางนี่แสดงหน้าตาไปหน้าทานานแสดงความเชื่อมั่นความเป็นมิตเรเมื่อเเห็นว่าสุจริตคือเกาะบางศาสตร์พรก็หมายความว่าปัญหาตรงนี้ที่จริงก็คือมีศีลอย่างน้อยในศีลข้อ น, นี้ข้ อ, นนขอสองเนี่ยท่านท่านไม่ละเมิดเราก็รับรู้ว่าท่านท่านชื่อสั์สจจริไม่มีการชาวราดบางหลวงหลอกลวงประชาชน และแม้แต่คนอื่นคนอื่นๆก็เหมือนกันเยนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเราเนี่ยถ้ามีศีลมีปัญหาเรื่องศีลก็สองก็สามนะฮะแม้แต่ข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งท่านในความรู้สึกของสังคมเนี่ยในแง่บาปมันแรงกว่านะฮะแต่ว่าในแง่สังคมแล้วก็โทษมันน้อยกว่าสมมติว่าพระกอร่อฆ่าพระขอตายเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวดจับศึกไปเลยก็จบ แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินกับเรื่องสตรีเรื่องสตังกับเรื่องสตรีมัดขาดสติแล้วก็เสียพี่เสียผู้เสียคนเวลากคนอื่นเข้ามาร่วมความเดือดร้อนกันอีกเป็นอันมากนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าศีลเนี่ยมันทําให้เกียรติศักดิ์อันดีงามของบุคคลเนี่ยพุ่งกระจรกระจายไปแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จะข้าไปในสมาคมใดในองอาจกระหารไม่ขั้นคลั่งเขาพูดถึงคนทุจริตเขาพูดถึงคนคอร์รัปชันเขาพูดถึงคนล่วงเกินทางเพศเขาพูดเรื่องคนข่าคนก็พูดเรื่องคนติดสิ่งเสพติดผู้โคผู้ถึงคนที่โกหกหลอกลวงมาไหวหลังหลอกอะไรแต่ไรเนี่ยเรานั่งวังด้วยความช่มชื่นใจ มองเห็นความบริสุทธิ์ตัวเองของตัวเองว่าเขาด่ากันมาตั้งนานเนี่ยเราไม่ติดเลยแต่ทีนี้ตรงนั้นนะทหากว่าเรามีปัญหาสักอย่างเช่นสมมติว่าพบยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็มีการพูดถึงคนที่ครอบครองยาเสพติดไว้ในครอบครอง ถึงพูดไปพูดมาก็อาจาจะต้องขอตรวจค้นท่านที่มาประชุมกันเนี่ยมันจะเกิดวิปปิสาจนี่คือเดือดร้อนใจเกิดพิรุธเกิดกระสับกระส่ายเกิดเหงื่อการไหลเอะมาเ แ, แสดงว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความมงอาจแต่กลับเป็นคนขั้นคลั่งขำเกรงแล้วก็คุมอาการไว้ไม่อยู่บางตีก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเดินหนีก็โดนจับเรื่อย นั่นก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความรู้สึกภายในสังคมที่เราก็เห็นอยู่ได้เพราะในที่นี้ก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันสามเรื่องมีข้อแม้ว่าถ้าเรามีศีลแล้วสามเรื่องนี้เราก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็จิตใจแจ่มชื่นเบิกบานไม่หวั่นไหวไม่พลันพึงไม่วีตกกังวล แล้วข้อที่สี่ก็รับสั่งว่าเป็นผู้ไม่หลงตายคือมีสติตายคนตายนี่เป็นเรื่องแปลกคืออย่างที่บอกว่าปีสองปีเนี่ยไม่รู้ยังไงพลาดตายกันเยอะเกินก็ไปรับรถน้ําศพท่านแล้วก็ส่วนมากก็ไปฟังสวดบางทีก็เป็นไปเป็นเจ้าภาพสวดบ้านก็โดยเฉพาะตอนรถน้ําศพเนี่ยมันเห็นอะไรเยอะ คือบางองค์นี่เหมือนกับท่านนอนหลับแบบก็นอนยิ้มไปเลยบางองค์นี่หน้าดำเลยบางองค์นี่มือนิ่มบางองค์ก็มือหงายมันก็สอนอะไรสอนอะไรเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนี่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นวัยชีวิตของเราก็ทำนี้เอง ถ้าเรามองในแง่ของความจริงนนะครก็เรียกว่าเกิดอะไรมามรณาอะไรไปเราก็จะได้คำตอบว่าสิ่งที่เราเอามานั้นคือบาปกบุดสิ่งที่เราจะเอาไปได้คือบาปกบุดสมบัติติดตัวสมบัติดจิตวิญญาณสมบัติที่แท้จริงนะฮะในขณะที่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแม้แต่จะส่งเราให้พ้นจากสังสารวัฏมันก็คือบุญ แต่บุญก็มีศีลมีฐานมีศีลเป็้ต้นก็ให้ความสุขในขณะนั้นนั้นให้ความสุขในการครองชีวิตแล้วก็ตอนตายนี่ก็จะไม่หลงตายต่านเล่าถึงคนประเภทที่หลงตายตส่วนมากมันจะมีความปัญหาในศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองนะ คนหนึ่งลูกก็บอกว่ายายภาวนาอรังอรหังนายายอรหังเกี้คิดเหนียวเกีหลวงทรัพย์สมบัติเกีฟังเป็นอะไรหายตลอดแต่อรหังนี่เกี้ยฟังไม่ออกเลยหูมันฟันเฟือนก็ฟังออกเป็นอะไรหายก็ตายไปด้วยความหวงใหญ่ในทรัพย์สมบัติจิตใจปูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติเขาเรียกผตายเป็นปู่สมความทรัพย์ ก็ยังพบเรื่องเปรตต่าง ๆ, างๆนะฮะเป็นอันมากอ่ะที่ที่ยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติที่เขาฝังไว้กลายเป็นงูเหลือมบ้างกลายเป็นช่างบ้างกลายเป็นสัตว์อย่างอื่นบ้างนะฮะโดยปเปลาทรัพย์สมบัติอยู่นีก็แสดงให้เห็นถึงโทษของโลภะแล้วก็ไปปลูกพันธุ์อยกัทรัพย์สมบัตินะคนหนึ่งก็ชอบจับปลาชอบฆ่าสัตว์ เขาบอกให้ภาวนาบ่าพุโทโธแกคฟังเป็นบาเทโปตลอดเอาไม่ได้มีคนหนึ่งแรงคือทั้งรักทั้งขโมยทั้งข่าสัตว์นะคือชอบขโมยควายของชาวบ้านมาฆ่าแกงแล้วก็เลี้ยงดูสังสรรค์กันต่อเป็นมหาก ร, รมก่อหนึ่งมันเรียนกรรมมาถึงข้าพอดี เกิดไปปัดเอาตะเกียงซึ่งตามในวงที่กำลังกินเนื้อควายอยู่เนี่ยมันมันก็ราดลงไปในเสื้อผ้าไฟประลาไหมจนปว่าจะเพื่อนช่วยกันดับทันในกอไม้ไปเยอะต่ตางจังหวัดเพื่อนก็จะทำยังไงนะฮะก็เอาใบตองมาวางให้นอนเพราะว่ามันเจ็บมาก แล้วก็บอกเขาว่าอะรหังอะรหังเก๋ฟังเป็นควายมีงามีหางเก๋ถามว่าพ้าอะไรวะมีหางกูเห็นแต่ควายมีหางคือพระอะรหังนี่แกแกแ ก, แกไม่เห็นแกไม่คุ้นแกไม่เคยได้ยินนะเพราะฉะนั้นภาพที่เป็นกรรมารลมกมับมายมิตารลมของแกเนี่ยเก๋เห็นเป็นรูปควายสารพัดควายะ ที่แกฆ่าตายเนี่ยมาปรากฏให้เห็นโดยแกเห็นแต่หางงองควายเห็นแต่ควายมีหางแ ต, แต่แต่ที่จะเห็นได้อันนี้ก็ลักษณะของการลงตายและตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวยอันนี้ยอะเลยนะฮะในพิมานวัตถุแต่ในเล่าท่านแสดงถึงคนบางคนเนี่ยมันเอาอะไรไม่ทัน พี่ตายไม่ตายแล่อยู่เช่นในสาธุสูตรในสังยุตตนิกายได้เล่าถึงเทวดาก็เป็นกลุ่มๆนะฮะเป็นกลุ่มแล้วเกิดเรือมันค่อยๆจมในหมหาสมุทรแต้ แ, แกเห็นว่าศพคนหนึ่งก็นั่งสงบไม่เดือดร้อนอะไรแกก็สอบถาม แกบอกว่าแกไม่กลัวหรอกตายคือว่าความตายสำหรับคนที่เข้าใจกฎของศักดิ์สิทธิวัดเนี่จริงๆไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรคื อ, อยังไปรดน้ําศพหลวงพ่อวัดเทพธิดาวันก่อนพระราชนัดาณนะเล่นเทพทิดาตอนก็ตายแต่เดือดเดือดคื อ, อยังรู้สึกชอบกันนะตายอย่างนั้นตายแล้วก็สบายดี พะมันตายมันไม่จะตายจริงเนี่ยมันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลตายตา ย, ตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพากคนเหล่านี้ก็ขอรักศีลไปโดยลำดับมันเสียงลมเสียงฝนเสียงน้ำมันมาแรงนะฮะเลยก็แ บ, บ่งเป็นมุมๆรับไปตามลาดับก็รักษาศีลระยะสั้นๆนะก็คงไม่กี่นาที แล้วก็ตายโดยบังเกิดเป็นเทวดาเทวดากุมหนึ่งมลกฝ้าพระพุทธเจ้านะฮะรวมแล้วเป็นเจ็ดร้อยองค์เลยนลกฝ้าพระพุทธเจ้ามากราบทูลเสนอความเห็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฐานที่เคชื่นชมผลฐานของอาจารย์นั่นกงกอุบาศกที่ให้ทานแล้วก็รับศีลมาก่อนที่จะขึ้นเรือเนี่ย แ, แสดงว่าปริมาณของที่ให้เนี่ยไม่มากการรักษาศีลก็ช่วงไม่ได้ยาวแต่ว่าเมื่อรักษาแล้วท่ารักษาได้ดีก่อนจะดับจิตแทนที่จะไปห่วงวิตกกังวลกับชีวิตมันก็พยายามรักษาศีลเอาไว้ยังไงยังไงก็ไม่ให้ผิดศีลแล้วก็เกิดความชัดเจนว่าศีลเลนนะสุกติงยันดีจริงๆคือศีลเนี่ยนาให้บังเกิดในสุกติจริงๆ พระ น, นันิสง์นจะทรงแสดงข้อความเหมือนกันว่ากายะสะเพดาปรนมะนาสุกติสกังโลกาอกุปตัตติเปตน้าแต่ตายประกายแตกอยาเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์แต่แ <_ EN _> ม้เป็นนานิสงุนที่ชาติหน้าเนี่ยคือแต่เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าเป็นเรื่องชาติหน้าอยู่ยี่สเอร์เซน เป็นชาติปัจจุบันอยู่จริงๆนะหกสเอร์ซ็อีกยี่สเอร์เซ็นมันเชื่อมต่อระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าคือไม่ลงตายเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านศีหาเสนาบนดีศรีหาเสนาบนดีบอกว่าสีข้อแรกเนี่ยข้าไม่วงข้าระองคไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าในฐานะที่เป็นคนยินดีในเรื่องฐาน ท่านก็เห็นด้วยตัวของท่านเองคือทานศีลด้วยนะฮะแต่แล้วก็เห็นว่าท่านเองอันนี้สงานี้ที่จึงมาเป็นสัมผัสตรงของคนดี่รักษาศีคนรักษาศีนี่ไม่เคยสะดุ้งหวาดวันอะไรนะฮะจะไปไหนมาไหนเนี่ยยานตมาเป็นพระเนี่ยเราเป็นพระเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกเดือดร้อนอะไรนะไปไหนเข้าดงคอมมณงคอมมณเข้ า, ข า, ขาป่ า, าอะไรกไม่เคยเดือดร้อนเลย ยกติความมันนิดแรงแรงเคารบกันยิงเงาป่องป่งป่องปังเราก็ไปเฉยเฉยก็รู้สึกสะดุ้งสเถืออะไรก็มันก็คิดอย่างนะว่าเราเป็นพระเนี่ยผมมันมีใครฆ่าขาก็แล้วไปก็เราไม่ได้เจตนาร้ายต่อเขาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเชื่อมั่นในกฎของกรรมก็อยู่ระดับเนี่ยระดับฐานศีลระดับฐานระดับศีระดับศรัทธาเลยนะ คือไม่ต้องเอามากๆหรอกมันก็สามารถสร้างสังคมสันติได้แต่ว่าถ้าจิตใจเรากระสับกระส่ายดิ้นพล่้นไปด้วยแรงผลักดันของตานามานาทิจจิอยู่มากๆเนี่ยมันจะหาความสงบได้ยากว่าอยังไงบ้านเมืองเราจะต้องวิกฤตในแง่ของเศรษฐกิจในแง่สังคมในแง่ของการเมืองและในแง่ของาศาสนาเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะอะไรเพราะคนมากเนี่ยเราลดจํานวนคนไม่ได้แต่ว่าคนเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่การจัดการศึกษาแล้วคือคนเขียนรัฐธรรมนูญเขียนได้นะมันพิมพ์ดีตั้งป๊ก๊กแปก็เขียนได้แต่ว่าการจัดการศึกษาในมันเรื่ององค์ประกอบมันเยอะนะกว่าจะทําได้เนี่ยสร้างโรงเรียนโร ง, งนึงนี่งบประมาณเท่าไหร่งบประมาณในการจัดการครั้งแรกเนี่ยอาคารส ถ, ถานที่ เงินเดือนบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องครุพันเรวพันเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆและจ่ายในประจำวันจะทลายเน่ยพวมันมันเยอะแยะไปหมดเลยมันตั้งคําถามคําเดียวว่าเมื่อเมือ่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราแก้ปัญหาสังคมได้ยังไงแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาได้ยังไงแก้ปัญหาเรื่องศีลธรรมได้ยังไงแล้วก็มีปัญหาเรื่องศีลธรรมเนี่ยจะแก้ปัญห า, า อ, อย่างโน้นได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยมันก็ เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันก็บวกลบด้วยกันทีนี้ถ้าหากว่าเราคนที่มีฐานะบางค ร, รั้าา ง, งร่ำรวยพอสมควรช่วยเหลือกื้อกูลกันได้คนที่ไม่อาจจะช่วยเหลือกู้กูลใครได้อย่าสร้างปัญหาแต่การครองชีวิตอยู่ในกรอบข้้งศีลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดกันมากเวลเนียนะศีนข้ออธินากับสิลข้อสุรานี่มาแรง เป็นปัญหาระดับชาติยากต่อการจะแก้ไขมันแรงทุกข้อนะฮะแต่ถ้านับหนึ่งสองนเราจะเห็นว่าสิ่งข้อสุรานี่มาแรงมาสิ่งเสพติดทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยาบ้าเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วแล้วถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องยาบ้าไม่ได้มันก็ยากที่จะขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขได้ ประมวลเหล่านี้มันพร้อมจะสร้างปัญหาอีกอนเอกนกนานในเกิดขึ้นในชาติบาจหนึ่งต้องฝังทนายแต่ ร, ปรตูปพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครั้นี้งที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูุ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังถลายโดยทั่วกันสวัสดี